เออมันนีเป็นมือทีรดมงคลออกจากร้างคุกแจทีกัเป็นงานดีไหมเออีกันนึงก็มาเพิ่มก็ไปยิงบูนกลุ่มเขาไปางา <c oughs> ปกติกสมหยก่อนคนสู้เขานะ้ะเราเรงนี้น้นงตาดังนียน่ราราก เียนเป็นปตามการเปตามตม่อเนื่มาร้วกันในทุกหนาวันุออจโอยจากเอาไปวานประเทต <c oughs> เขาถุงขวรถุงเนียงกับ <c oughs> ใส่ห่อใส่ถุงพรจะติดมากแต่แบบวดแสวเอาขึ้นเมือขอเอาเราแล้วจะได้ผลการขวัญเขาลมหัวล้านั้นส่นยือวัน่เป็นสิริมงคน พระเจ้าประสงค์รายทาสหลายรูปนี่องค์ตนนี่โชคกว่จะทำสที่ต้ออายุตรวจต้ออายุรับปีไม่ต้อไท้ปีเก่ารับปีไม่ต้อไปลงระยะเดือนหนึ่งท่านว่าโมกกล่าจิตต่อกันอีกประเทมืองแล้วเป็ต้องไปเขาก็รับไม่ไห้นี่ อายุมันกวนยืน่นข้อหมายก็มาพอดปีใหม่ำนนทำหน้าจริงจูเจ้ า, าไม่เป็นไปเพื่อควมสะดวกเรียบร้อยราบรื่นถวนพระบุทธมณ์ยศตำแหนานสองตำนาหน่งเอียดมากทุกปีที่นี่วนบวัดนี้กนน็บพวกใครกันแต่ทำกับบทฝ่าคาถาของ พ, พระพุทธเจ้าคือกันแต่เปลี่ยนวิธีกรรมจิตกรรมบาตต่ออนุ หรือบางสมบูรณ์เป็นเพราะฉะนั้นเวลานอนให้เงียบอัอนเป็นว่าบอานอนเนอะเห็นฤาษีมาทางพระเจ้าประสงให้พุ่มสติตนเองเห็นด้วยตนเองด้วยความเงียบ กันตั้งค้นตั้งว่าวกันมันเป็นมงคลจะเป็นสิริที่เป็นมงคลเอาไปเงียบพไปเจ้าพระสงฆเงียบเอาก็เงียง ย, ย น, ยยนะวุฒเงียบเป็นของสําคัญทั้งพระพุทธศาสนากันเดือก ข, ของทั้งโลกเหตุจังไรหสงพอบอกว่าแต่ว่าทั้ ง, ง, รรงพระพุทธศาสนาอยากให้ท่านกันเงียบ ผู้ไหนระลืมถึงจุดนี้แล้วก็จะไกลก็ว่าฉุกอฉินกลัวกลควหมสมบูรณ์หมีที่ทำของพุดเจ้าวระคอนนอดน้องกับคุ้มผ่าห่มผ่านเห็นว่าแต่น้ำดอยคนยำคนเสียชีวิตแล้วคุ้มหมดหัวได้ ก้มมดหัวมันสมมุติาะเอาภาษ่าชาวบ้านน้องส้มมุว่าเสียชีวิตวันนี้เขามาซักสักบางสกุลเป็นน่ะก้มจิงเขาก็มีชีวิตอยู่เพิ่งจะสักตายอเนี้จาระชุดไทยอจิลังพัทยรังกาโยน่ะนี่เรียกว่าบางสกุลเป็นให้ยึดถือว่าเขาจะเกิดว่าไม่น่ะแต่ว่าต่ออัน เพราะฉะนั้นช่วงระยะนั่นเน้นหนักกลมเงียบคือดอยู่นน้อมสนนอนท่ามีชื่นมเงียนท่าพ่นเวลาพนเด็กๆแควเดียวต้องเสื้อมันต้งสิสักสิบที่ถ้าไม่เสื้อมันเส็เด็ดนหัวประด็นนะอันดับต่อไปคอยนอนรกมคอยห่มผ้าตนเอง แน่นนักก็คุ่มเบานาหนักุมสติตนเองสิ่งาดก็ คำว่ากฎหมายบางอย่างในมิจฉีคือบนมี้ชีวิตนะคุ้มกันยังกันมีัดพมีัดก็เรื่อสวนเด็กมิตรเดา หมูทายัวปิดตาสองปางปิดปากเสียปากนอนเบิ่งบุญบุญอยู่ร่มบุญอยู่ดังเบงร่มเข่าร่มออกร่มเข่าล่มออ ก, ออ ก, จ, กจัสมงจิตใจไปแน่เพื่อนไปท่างเพื่อนจัสมงจิตใจออกมาสู่ร่ม สติคุ้มใจไว้ดีล้มเขา่ลเข า, <c oughs> าล้มกองค่อยๆถอนสติคออก็ค่อยๆลุกขึ้นให้มิดๆซื้อเกา้าคุ้มสติไว้เพรจะลุกขึ้นแล้ต่อพับพา พระผ้าขาวเป็นพระเป็นพระแน่วอนทรงก็มาทั้งพระสงฆ์เอ่อจากพระพายุกันเงียบเงียบอย่าะนั้น ก็น้อยกนุ่มเก็บผานนพระเจ้ามาแล้วแข่แรงเก็บขานจับไม่ออกมารวบกันเลยพี่คนซ้ปอกแล้วเอาผ่านแทนได้ต้องสต้ได้พึ่ยุยงมามั่ก็ยุง สักแมวไปวอนน้ำสักของสัญญาันได่ออกมาเน้วยเอาไปใช่ก็ได้บางคนเอาออกม า, ออาสวายพลามันสักออกแล้วสักออกแล้วเอาไปใช่ก็ได้สักโขไกไข่ไกมเก็บ เ, เอาขึ้นมาก็ได้ <c oughs> เออมือร่างันดีได้ ก็แล้ว่รับก็ล้วมีรถมีรถได้เข่าบ็แล่วมีรถได้เข่าเปืี่ยไปแล้วก็ฟูมก็ล้วถนนพวกีข้ออุปสรรค์ปะคุ้มมากแม่รถดำวางหลายทัศอ่าเนี่นแล้วตัวบา ออไปเลยก็ต้องแท็กซี่รถรถหิวไปเลยมีมีรถบ้านกันมมีหองพักหน่อยมูเทียนกับมีอยู่คนหนอานได้บนไหอ่าเอาไปซ่มพ้นที่่ผมอ่าได้เาอยู่ลงสีอนอีละคะนูดีมุนาายลงพอและคะน่เดียวไปย พระุทธศาสนาพวกเขาบอกจะรู้ปัจจัยจิตยุ่งโง่กันไร้ชอยพระพุทธศาสนาหลวงปู่วัดสาธุนชอยประเทศชาติาจักว่าชอยพระพุทธศาสนาเอาไปเทศคงการสมคอปย่วะพุทธอาสาพุท ธ, ธ, ธ, ธมามกาอาสา ที่อินทารักษาใจยวนี่มีทุกวยเกือบป่วาสิบแป้วมาเลี้ยงคาถารักษาใจเมื่อกี้เลยมุนจะกุลละค่าถารักษาใจมือ น, นี่บอกคนร่วมหายใจคอออกนั่นแหละค่าถารักษาใจไม่ไ <c> ด <oughs> ้คือ ผมผู้จะไปร่วมกันวุ้งปันเปิดบันที่บันที่หนึ่งเขาผู้ได้ไงมากแต่ตัวร่วมจะดูปัญญายปิดบันที่ไปแต่จงเคาะปุตตมามากัดเล็กหน่อยรับสนเต็บเก็ดปีขึ้นไปถึงยี่สิบผมผู้เปิดสมัครันในทั้งกิต คิดถึงว่าได้เปนสิบคนนี่ยได้พน้องอาจจกสิบคนแบบถามพระเจ้าพระสงฆ์ว่าต้อูมอัมนอะไรเก้าทิ้งเก้าแต่เพิ่มมาอกมมีกแลวนี้เลยกลอยเกิดกลายอาชิ์แล้วมุจักแม่แะเฉพาะราอยอนี้เท่ทางอื่นมันท่านมุจักเป็นใครั้งไหน รอยคาเทิมพรเจ้ารอยพอรอยแมนถ้าเว้าตามรักษาบ้านนอจากนิดหน่อยถือศิลถือศิลแปดด้เปิดศิลหาได้พุทธาพุกแก่บ้านนอกสังเ่วศิลหาดังนั้นรักษาบ่าได้มู่ไม่ออกสัตัวแกงหัวจพวกเข้ามาตัว แปลว่าทำบุญแต่บาปแปลว่าทำบุญบพระกฐาบุญก่อนแต่บาใได้เปลีย น, น, นได้บุญใส่บนเป็่นได้บาปแปลว่าทำบุญทำบาปนะทุนว่าบุญว่เห็ุตั้งที่ปั่นแปลว่าตัวจะหอมนี้ขุจาว่าขันหัวจาว่า ตัวเจ้าของพระบุตรพได้กล้าถวายตัวเจ้าของเองนี่ยความรับผูไม่ในโลกในยิงน่งเสียงพระพุทธเจ้าก็จะพรู้รับรับเป็นัะไรที่เป็นตัวเจ้าของพรบุตพรได้พระพุทธเจ้าเป็นพ่อให้ตัวเจ้าของนี่ได้พ่อยมากคท่กันของผู้แน่นหนักพ่อใหตัวเจ้าของและโลกันขอบตนด้ร่วมดับทิพย์น้องพ่อมาสั พระพุทธศาสนาเด็กปัดหลวงปูเนี่เขาเป็นชกเสริมรลูกหลานในรักษาพระพุทธศาสนาเรียนจกเด็กงูยักษ์พระพุทธศาสนาสอนให้ค้นคำพุนเอาตัวนี้ไปสอนลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาต่อไปสมมว่าลอยนาซีมีซีฟว่าได้ยกักซีฟ ก็เส so ียสละถือศีลไปทีเขาต้องการเสียสละยันย่อ bon ตัวนุ Free ่งผู en ้กิตทรงให้ยนยกอคนนี้บางคนกิตจะเปลี่นได้นัโดยพระพุทาศาสนาพระเจ้าบอกว่าแนะนำทำสอนออกตนญาจุ้งในถือศีลหาได้คนหนึ่งไม่อันิสงส์หลายสอนออกตนญาโุ้งขอมาถือศีลแปดคนหนึ่งก็ได้อันิสงส์หลาย สอนออกตัน่ย่อมให้มาบวชเป็นพระนิ่ผู้ทรงได้ต่ออายุวัฒน์ต่ออายุมุบุลศาสนาหนึ่งลูกกบบ็ได้ในส่งหลายเข้ามาไปเองแต่ผมมีพระเจ้าผูทรงมลกผู้เรยกเสียงมุกุศาสนาเพราะว่าข้าเ จ, าาจ้าเป็นบรรทุนรรุอินโดนีเซียมีลุงพอไปกิกรรมที่ภิเล ศาสนาว่าอากันธด้วคนเป็นเงื่อนื้ศาสนาไปหลายศาสนาแต่เดิมก็มีอันเดียวศาสนาไรที่เหตุผลถูกต้องที่สุดศาสนานะเพราว่าเป็นแต่ที่จะล่ามหรือว่าจะสิ่ที่จะเตียนนั่นตัดนีดูก็เป็นทังสี่ยังแม้ศาสนาเต่าศาสนายังศาสนาก็้ปีพักตุ้ปียังแม่ยินใจสองอย่างหนึ่ง <N> แต่พระพุทธเจ้านี่สามอย่างคือมีพระพุทธเจ้ามันพระพุทธ เ, เจ้าที่ทใส่าพาะระพุทธโลก เ, เลป็นอะไรแต่ไรไเจ้าคนเดียวนี่มีแต่พระพุทธโลกพระพุทธเจ้ามีพระธรรมยกันพระไตรปิฎกอ่เอาไปอ่านมีพระไตรปิฎกอะไรก็บแล้ว ตรงนี้ระสงสารบอกผู้เห็นนําตามคำสอนของบุคคลทีเจ้านี่เป็นหลักฐานถุงพูนแบบนนที่เกิดมีผู้เห็นน้ำพระศาสนาเรียนผูรู้นีผู้เห็นน้าบ่จังระเยู้้คงตีแล้วไม่กังเข็นว่าระเยู้้เป็นผู้รับบาปนี่มีผู้รับบาปคือไยเยู้เวาดุมากยืนกลางแขนขา ยื้อขาเดียวก่างแขนออกไปมีเหตุเชื่อไปจะสู้บ่ถักวัดอของศาสนาแท้นั้นผู้พอก็ศึกษาศาสนาอื่นถ้าเที ย, ยบเนี่ผลของพระเจ้ามีมีพูะรประทั บ, ทบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตางพระเจ้าก็ย่อมละว่านักด้วยศาสนาถูกต้องก็ศาสนาอื่นนะ กันน <c ười> ั่งคิดทั้งีแล้วลุงบัวก็นใจที่เป็นมาพของคิดมาจังใดแต่ก็เป็นมาของคุณเจ้าหาสั้นที่่าุตีรเป็นคุณเจ้าง่าก็หาหปีโอ้ยไอ้ตังไหนจะ้งเขาแกว่าคุณเจ้าได้ดัสรู้่าเป็นคุณเจ้าเราได้ดัรู้แล้วหมดสิเลออกกหัวใจหมดแล้ว ปั ăng, ิจ nice so ัตตามรู้จำชอบตนผู้ดูเห็นเอครู้หองดูยังมารูใจอยู่องเห็นใจอยู่งก็เห็นผู้เนเราควรจเจ้าจะได้หัวใจนะมงรู้เพิ่งใจหกปีนี้บริหารวเพิงเมื่อหนึ่งหนึ่งหน้าที่ห่ว่ากันเพงเล่นอ๋อไม่้ลเาว่ามึงู้ค่อยว่านั่งัวใจมึหนึ่งหนึ่งนาที่ให้อาหารใจมึหนึ่งหนึนาที่ เรียกใจมือหนึงมือที่แตะใจมือนึ่งมือมาที่ท่าเห็นก็ได้เลยที่ว่ายะไหนหหงายบั้งโบผู้เจ้าหาหองปีนบิดเข้ามาใดรัตรูปปัจจตั้งรูปจำป้อตนผู้ดูเห็นเองกูเห็นขึ้นมาว่าเขานี่คันผู้ได้มาจะเห็นทันพูมาไปถามผู้บงจักบอกว่าถือน่ะ ไม่ได้เลยพระประเทศไทยเราไม่ได้โกหกบอกงานชงทาบุญคนตัไทยแปลว่าพระก็เห็นบุญเดียร์แ่ว่าบุญไปบอกน้องกัรสอนท้องทำบุญนึ่สิบ่บุญไหว้ประเดียนี้เปลี่นไเมื่องคนไทยบางคนนับถือบุทศาสนาก็ท้มาเพิ่มเตฟังด้ว มถืออ้ทิศจริงจังมิจะคน้นเหมือนเามันถิ่นนัามิจะคน้นถามต่ไปด้วยมาเมิ่งจะได้สัตตินัทธาสมมุติว่าบ้านนี่หาิหลังคามันพระนี้ถึงินหาทิศ ค, ค้นเพราะญ่าเป็นศานที่ผมโยม <c ười> อยู่สุดเสดิ้นน้ำขาดขืนอาอยู่ในเสียงแต่ลงสูกยาเบาเบาอยู่ ภานในมันผ่าแล้วผมโยมนะจิตตัจะพร้อมหรือเป่าคนพดเว่าในรักษาวตัเมื่อทำแหม่เดินเปหนังปินงจำวัดถือใจวัดถือคำของพระเจ้าหลาย้กูเที่ยวห้นห้องเถอะพระเจ้าสอนค้นด้กยแตว่าจะพร้อมเป็นคนบมนะเป็นคนเป็นตั้งบ่เห็นน้ำพระพุเจ้าแต่ว่าเห็นว่ได้ สิ่งท่เห็นว่าได้คุณเจ้าเป็นว่สอนกิเล น, นั่งคุณเจ้าก็ได้จะไปกิ้มเขาแต่ว่าธรรมดาหลายคนเขาใจให้ก็ให้กิเลนี่เป็นหลังหลังเขาก็เพะ่ปให้เจ้าของที่นั่นสันติปัญญาพากขาขิเลนคุณเจ้าก็กิเลนคือว่าเห็นก็ได้ใส่สันติปัญญาเขาไปรู้บ่ได้เอาดาบมาฟันกิเลนีิ เวาปืนมายิงเฉดที่ปัญญาที่นั่นระเสียจที่พรเจ้าเป็นตําหนงไปตอบเจ้ากลในายเวนไปตอบปัญญาหนุ่ม่ีวันพราะสารังยิดต่ำธรรมะใจที่ดวงอยากเกิดมาเป็นคนอยากพูดศาสนาติดโถมนุษย์ศาสนาพระติดขังพุทธสมุประดังติดขังสัตธรรมัตสวนัง ธรรมะธรระนั่งคือได้ฟังคำคาคำคำสอนของพระเจ้าได้มาพกศาสนาคาสอนพระเจ้าได้เป็นคตเป็นองค์ูนแล้วมันเป็นคตเป็นคนในการปบายปลอดหนวสมบูรณ์แดกแมมาเพื่อหมุนแฝอยู่ในบุนเพราะว่าคบศิลธรรมนี่ศิลธรรมจะได้หัวใจนี้กจังจะเป็นมนุษย์มันไม่มีศิลธรรมแล้วอบายภูมิทั้งสี่เป็นที่วังได้เข้าใจบพราะ ที่เขาใจยังไงเก็บอกแค่หนึ่งนาท e so ีพอเห็นเห็นใจบอบอกฟังใจหนึ่งนาทีเลี้ยงใจหนึ่งนาทีแต่งใจหนึ่งนาทีผมจักว่าในตัวเขามีกายกับใจกันเพราะม่ใจเขาถิ่มอยู่ในหีบน่ะนับไป็นเชือบศพกราบศพหรือกาเป็นอยังของบุญของเน่าก็กาบท่ะของผู้เจ้าสิ่งใดถึงความจริงสิ่งนั้นเป็นท่ำของผู้เจ้าเกิดแล้วแก้ยับตายสังขารมรกายกพราะเที่ยงเสียบ้องเสียจุดนี้ก็นัก ผูญาตจะง่ยายไปใช้แล้วเอาไปนั่งเพราะผมขนเหล็กฟันหนังคือแต่งดีเลี่ยงดีรักษาดีตเต็มตู้อยู่ก็ต้เห็นเขาขายเชื่อเชื่อเชื่อมาของบุดของเ น, น้องนะคือว่าของบุดคือว่าของดีบ่ก็คือทองเรากหันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดวายหนัง ไหนก็ว่าได้ที่เห็ุเพได้จตกว่นั่นข้อใจว่าปากเป่นทําหัวใจเป็นยังขาดานังละขาดตัวเดียวขาดการทําบุญนะ บ, ญ บ, ญนบุญทําบุญท่านศิลบุญพระเจ้าหาศิลป์ทั้บอกให้สอนญาติโยมเนีท่านศิลปบุญท่านศิลป์พระมนาการว่าพระมนาขึ้นเพรข้อใจโมถึงใจง่ายต้องว่าทับบุญซะ เขาบอกไปทำบุญไปเ้าะง่ายแต่เป็ดเฮ็ดขึ้นคือเพเฮ็ดบันเฮ็ดบุญทำบุญคือเพาทำบัให้ทำเป็นทานม่อนิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงให้ทำหนังให้ทำบุญนี่ไม่มาเอาสิ่งทำมาให้คือเขต้องขนมเด็ให้ล้มมือปฏิบัติคันอาหารคืบอกว่าให้ล้มมือกินขาล้มมือกินก็ยิมปฏิเสธพราบอกกินเขา ยิ <là> be and and you know, ่แต่น <so> ้อยแต่เ so นี Howard ่ตัวมือหนึ่งสามเท่าที่เท่ยกับพ่อพ่อใจยุบุดบัดอาหารใจบอกเบิ่งเบิ้งเบิ้งเหงาในเขาเขาให้ใจอาหารใจคือถรำของคุณเจ้าอาหารใจคือล้มฝันบ่พีล้มใจนีแล้วง่ายกว่าแต่แต่ว่าจุงเหตุว่าอะไรพระพุทธเจ้าเป็นว่าทั่ไหนทำที่เราสถาคดับตรู่ยากสี่ปุ๊บตูนชนค้นหนาสี่ถ้ำใด บ่ามัน่ามนคนธรมดาเห็นได้ดมนุษยธรรมฝุ่นทของมนุษย์มนุษย์ฝุ่นที่ั้งเห็นได้เห็นไททัได้หูได้ขันเทียทั้งบกไปว่าหูเรื่องหูเล่าเคยจบปญญาคนหนึ่งปีสองปีสามปีที่มันนี่เขียนเขียนซื้อแต่ของก็เพาะออกตัวตัวมือนะพอจนพผู้วิภาบวชก็ต้องเกินยี่สิบขึ้นไปเป็นเรื่องทั้งที่เพราะหูจักทุกิงเจ้ำดีแล้ว เด็กน่ง้งจักบาบุญเดียจักเช็ดว่าใดอ๋เขาบกเบิ่งบุญบ้องจักแล้วบาเป็นนักได้บัดเรเข้าใจว่าลำด้วยสวยงามเป็นบุญตัวบาดมันเป็นบาเด้ลำด้วยสวยงามเป็นมโนร้องเด้เขาสมาธิเบิ่งจังจูกจักว่าลำด้วยสวยงามก็เป็นมนร้องเด้ตาเนี้ยยิ่ง่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นมโนร้องก็ต้องคำวมาจักสูงคือตาภายในตาปัญญา คุตาท่านตาปัญญานั่งเกี่รนลกสวรรค์แต่นั้นัะอจักรอตายจิ้มี้เต้อนั่นะคุณจะไปทุกข์ยากลำบากหาว่เกิดผนเจ้ากรรมนเวทเขาไปค่อยถ่ายทีุ่ณปัญญายกยุบานค่อยถ่ายท่ท่าไปสวรรค์ก็ทาไปนรกทุกนถ่ายนั้งตะถามถือกุญแน่าูุญแจะไปมือไดมือไหนไปตามพับหลาน ่ว่าว่มเจ้ากรในเวรกรรมุนาวัตติโลกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตางกรรมังนะเดี๋ยวที่ไปถามมาจารย่าไงไม่ไงตั้งหกตั้งใจยเาจะไปทำบุญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเคยทำเพราะเคยฟูเพราะเคยเห็นยบเอายางันตอบเขาบเไลยมาจากไปว่ไงไม่ไงมาจากมังมนรงนะอยากว่ามงล้ำรวยมงสวยงามเป็นมั่ง เออการพ่จับพ้นไปสวรรค์จับไปนรกซะเถียงมาได้เน่ก็คือเขามีร่างกายเด้กรรมบีบังคับจิตใจของคนในกวดึกกรดิกมาได้หันเสี่ยทั้งโลกล้วเขาคุกแล้วขอล้องลงไปประกันลงไปมาได้ออกเจ้าทับกรรนักดีบริประหารจ้นั่นเจ้ากรรมในเวทเขาไปประหารเขาแล้วประหารจิตใจของเขาแล้ว กะนัให้ลูกไววแน่เหตุไหวแน่มือห น, หนึ่งหนึ่ ง, งาที่พตายหรอน่ะขาดเกเรตายจะเป็นหนังหรอเสียงเกเรแตมีปรรัญญาเสียงกกเ ร, เรเอสอิททร้ที่เฮตว่ได้ขุเจ้าเป็นพ่สอนสิงเกเฮตว่ได้คือเฮ็ว่ท่านทำวท่านเห็ุแนวขอพุเจ้าพ่สอนจะได้กุมก็หลายแต่น่ะตีพี่น้องกิเรืองรอดบุญีิบุนไร้หนาเงินหนาทอง เปิดประกันจะเป็นมีพืกถินเปิดประกันคุณเขาบอกไปทําดีทํำดีทำดีำดเป็นชาวไทยเจ้าพุตทําดีทำดีำด <c oughs> มุจจาว่ากขามาทําดีเป็นทังไหนทําดีคือว่เดือดร้อนตนเองและบุคคลคนอื่นอันเดือดร้อนคนอื่นในตนเองแล้ควคนเป็นทําดีทําบาป <c oughs> นะเพราะอย่งหลักเพราะคนโลภโลภได้ไห พอกวมอยากได้ทิพอก้มอยากเว้ยทีไปทำกวมตัวปนจี้ขาดตีหาเองว่าได้คนจี้ขาดตีคนโกงกันเต็ม บ, บา้านเต็มเมืองหลอกลวงปิดป้อนกันเต็ม บ, บา้านเต่เมืองอยู่จะหูเขาบังสมาธิากเกิดจะปบจกถาเกิดจะ ก, กัดต ก, กัดจกกิไปทางไหนมาทางไหนหูมัดแต่น้อว่างใจใจผู้ที่หูเพราะมันร่างกายหู สุท no ุกใจสมมุดเอาไปว่าเอาต้องหาควมสุขในร่างกายลงบาลไปจะไงยกล้วยเกิดมาแล้วต้องแก้ต้องเก็บต้องก่้วยต้องตายที่ไปฝืนควบจริงของพรธเจ้าได้เรื่องวัตถยาเราเเห็นเพเห็นและแหละหาหมอและหาหมอแลหาหมอที่เป็นเพราะไม่ได้ร้องปลานใดที ซักรักษาค่อยตายตายแล้ววัดีวัดีผมมักเกิดดีแก้อีกแฝดอีกแจ็คเสลกพบเธอทาเย็บไปวันไหนยืนไปวัไหนถือตะก้องกระดูกกระของว่นไหนตัวเกิดดูวบวนไหนอ๋อโมจ้ากระฟ้าเขาบอกเอาวันใจอย่างนี้เลยูจเกิดจากคนทัทาก็หนใจ เพราะฉะนั้นก็เน้นหนักนะอื่นอนจะเน้นหนักค่าทำอยู่เพราะว่ามันบริสุทธิับริสุทธลงปูของ่ำลำี้ลไร่อรือพ่ได้ทุกหรือพ่อลบากหรือ่ได้เสียใจท้ายหลังทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดเป็นจะได้เกิดเพราะบังลูกหลานสมุนเขาให้เกิดสองคนสขั้นเรียงเจะสองคนทัง้งรักษาพ่ได้เรียงพ่ได้ไปจ้างคนมาเรียงจับมันจับเนีส มือตาตื่นยากยายโอ้ยากตล้งไปใส่กไดหลวงพ่อเา่ดำสินกรไดยากต้อล้างเห็นใจตัวนี้กนอึกตึกแม่เรียกกระได้นตะก้อนก็เรียงได้เกบูกเป็นเต่าวัดมือนีพูดไปบัุ่งเกาะคนตะล่างนีจะลดตั้งเวดหลายตัวโอ้ยกรไดเป็นลูกเป็นเต่าน้อพ่อแม่ต้องอยู่ดุกินนังนังพอหม้แค่แม่ที่ าลาหลวงปู่สั่งวัดหลวงปู่สั่งคนตลาเพื่อให้พเข้าพูะแก้ไปจำศีลพระบหน้าปะนาเอ้ยบ่นได้ปัญญายังมาจะใส่ก็ไปเช็ดของทั้งวัดให้แม้มเช็ดตระเฒ่าเห็นนะใสยถูกยาเมาเมาอยู่ผมนะวัดชิดต้งไปวย คิดตูดลึกๆเข้าไปโอป้ผู้ใดเป็นลูกคนเดาน้อคือมาปล่อยพ่อพ่อแม่ถึงแต่น้อจากก่ะ <Night> ทั่งรัฐบาลที่เอาหนังไปให้แล้ววันนันต้มเขาจะนำป่าไปเลี้ยงบอกตีคิดจุดนี้เพราะลูกเต่าพวกไปควายไปเห็นว่าผู้เต่าฝากงาผมก็พอมีบุญไม่ยุบบมี มาตาปิดตัวอุปทานังปุนตาดาราสังกะโฮนั่นบทส่งข้อมิดามันดาเป็นตำนักเผ่นเรียงมากส่งเรียงเผ่นตอบเผ่นลมหายตายไปแล้วทำบุญให้ตัวทำท่าให้ทำบุญใ ห, ญห้นี่จะไปทิมไปตัวทิมตัวเนี่ยโอ้นั่นถิ่นธรรมไม่กลับมาโลกาพินาศ โรคการในหัวใจเขาดิ้เราก่อนน้อยๆเป็นโรคก่อนหนึ่งเด็ที่น่าจิ้หายว่ายควงไปเมื่อเห็นแต่แก้ตัวที่จะให้ลูกเกิดน่อยก็เห็นแก้ตัวนย่้านเท่าแล้วด้านลูกดูน้องหนูหนูย้านมันเหี่ยมันง่ามว่าไปแั่แล้วอ่าในเกคิคดพ้นหนึ่งสองพนยูโดนโดนตัวว่าดิแต่โก้จะเจก๋จะสวยงางมากยูโดนโด เห็นว่ากิเลขครอบงจิตใจั้งจิตใจทั้งชาติแต่รู้นึกททโลกบอ่ี่รักประจันทภพรักพุทธศาสนาก็ไปสอนเรื่องไรทเบกเขาบอกว่าข้หนึ่งเรียว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นหลักพระุทธศาสนาประจำชาตินั่นมันเป็นไปอเล เขาอยัางพกจำชาตแต่พกแม่พูดศาสนาสิชาติศาสนาพระมหากาตร์ศั์คือวาเป็นัดหมดที่เริยกออกยังไงบัดเนอทีอว่าเป็นไปไม่ได้ล้พระเจ้ามตต์พพุทนปฏิบัติเข้าเนอจิตเล็กผบอกสิ้นสุดตกลงกันเลยิ้นมาจะจอเอาคำสอนของพรเจ้าเนี่ยดีกว่าสิ้นสุดหลักษางขคำคำสอนของพรเจ้าได้แล้วเกิดแจเจ็บตายบ่มี แตบ่มีเกิดแล้วแกจะตายของบ่มีนั่นครับต่อใจคนที่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดจะเกิดจะเกิดจะเกิดด้วน่าทูลกุศลขอบคุนเดินยวมงบุคลาลเดชที่้องเป็นเสียสละอราตนานิมมติพระเจ้าพระทงพระแม่ผู้ว่าดานทำทานร่วมกันทำทานก็ดีทำบุญก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลเน่าเด่นจะทำหล่านี้บุญกุศลของคุพระู้เจ้าพระผู้ประทับพระทง ไปจงมาร่วมกันจงปกป้องปกปักษพระกษาอ่วนจะย่อกลงานจตีพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกกายทุกใจอาจากยทุกโสกให้อำนาจเชิงใดกชิงนั่นเชิงใดปารชนะชิงนึ้อันใดจงตาเร็จจงตำเร็ดโดยเฉพาะในทั้งทั้สอนของพระพุทธเจ้าจงผ้ากันตังบตั้งใจตามทั้งทั้สอนของพระพุทธเจ้าและจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมากเห็นโพนเห็นตะวันนปิภาณ ในปัจจุบันในชาตินี้เช <in> ิญภาตูท <honey> ักรสามเสียงกันนะโอ้เช่นี้กูก็ได้เลยไม่ได้ำอะไรทนหลงปูไปวันไหกไม่ออกพีดภาษาถูกรำเสียงนะเดี๋ยวนี้เขาไปบอกยุสเสกเขาชงไปตัวทีบตปวแดนเนี่ วัดหลวงปู่นะวัดหลวงปู่ปปปีนักขาหลวงปู่ีหลวงปู่ตีมาจากหลวงปู่มั่นเดินหลวงปู่มันเป็ น, ปนจปใงแเป็นคนอันดับหนึ่งของโลกตัวมันก็รักษาเพื่อ่ายของคนพ่องแคนิเป็นอย่างไรที่ท่างพุทธศาสนามาทั้งย่อมต่เมื่อสวดๆ่นเรื่องของโลกแต่มาทั้งวัฒนารราวุ่นดีใจว รุ่ดขึ้ใจให้เทวดาได้ยินอนุอโมตนานัมสาธุถ้าเอาแปเอกมาแล้วดีแล้วเจ้าผ่าดีร้ายเจ้าผ่านีา่ยคำภาษาถูกบเตี้ยหายม <c oughs> าเป็นแนวทางของลูกหลานก็เื่นต่อไปอีก